ถ้ามันปกติธรรมดามันก็เป็นประพัสนระมิทังพิคเวจิตตังเป็นจิตประพัสสอนเหมือนกันถ้าเกิดยินดียินร้ายขุนมัวมามันก็เป็นจิตไม่ประพัสสอนเพราะอาศัยอุปกิเลสที่จรมาปรุงแต่งให้มันเปลี่ยนสีสันวัณณะไปต่างๆจิตที่ไม่ประพัสสอนมีอกุศลเป็นเครื่องปรุงแต่ง